ف ق ا ل يا كرم عبد ا وقال يا كرم عبد الله. ما لكم من إله غيره؟ ما ل ك من إله غ ي ر أ َ ف ل ا ت َ ت ق ُ و ن أَفَلَا تَتَّقُونَ, أفلا تتقون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 ว่าบิมูฮัมมัดรษูลาอัลลอฮุมอีนนี أعوذ بك من الكسل وسوء الكبري ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر الل الله معافيني في بدني وعافيني في سمي وعافيني في بصره سبحان الله و ح ه ع د, د خلقه ورب نفسيه وزنا تعريشه و, و, و د ا ء ك ل م ا ت ส alamualaikumwarahmatullahwabarakatuh พี่น้องที่ร่วมนมาสุบอมที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละพี่น้องต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะครับทุกคนต้องขอบคุณอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆการชมอัลลอฮ์ที่ดีที่สุดก็คือให้กล่าวคํานี้อัลฮัมดุลิลละนะครับวันๆหนึ่งให้รำลึกถึงอัลลอฮ์ ให้กล่าวอิุบขานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลล่าอิลลอฮ์อัลลอฮฺอักบรผลบุญได้อะไรเป็นการปลูกปลูกต้นไม้อัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งในสวนสวรรค์อัลฮัมดุลิลลาห์ว่ากล่าวคนี้ข้างบนปลูกแล้วนะครับสุบขานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ และอีละอินละลออัลลอฮฺบัดสีต้นแล้วถ้าเรากลาววันโอ้โหวันนึงเป็นร้อยสองร้อยพันสองพันคนไม้เราเต็มหมดเลยในสวนสวรรค์เห็นไหมนี่ใครเล่าเนี่ยนบีเล่าให้เราฟังมีอุลามะอยู่ท่านหนึ่งนะครับท่านอิบนะกอิมอธิบายอย่างนี้ท่านสอนดีนะครับบอกว่าเมื่ออัลลอเนี่ยให้เนี่ยอามัดกับใครก็ตาม คำว่าเนื้อมัดนี่มีความหมายกว้างมากนะครับของที่เราได้รับมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเป็นเนื้อมัดทั้งหมดบ้านเนื้อมัดภรรยาที่อัลลอฮ์ส่งมาเป็นเนื้อมัดลูกเป็นเนื้อมัดรีสุกีทั้งหมดที่อัลลอฮ์ให้เรามาพี่น้องเนื้อมัดนี่อนเนื้อมัดที่เรามาตื่นนอนเดินมานามาที่มัสยิดแล้วมานั่งอ่านอัลกุรอานมาศึกษาหาความรู้เรื่องของอัลกุรอานดูสุนานะนบีนี่เป็นเนื้อมัดทั้งหมด ใครที่ได้รับนี่ยอมามัดจากอัลลอฮ์นี่ให้ทําไงครับให้ชูกตต่ออัลลอฮ์นะครับต้องชูกตรต่ออัลลอฮ์ต้องนึกเองเออฉันจะชูก ต, ตอัลลอฮ์แบบไหนดีวันนี้ถ้าไม่รู้ให้โทรถามนะข้อที่สองว่าอิซาบตาดาซอบบารเวลาเข า, เาถูกทดสอบให้มีปัญหาให้มีความเดือดร้อนให้มีมีเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องไม่ถูกใจเราทั้งหมดนี่นะเรียกว่ามุสีบาทั้งหมดให้ทําไงนะ ให้สอ บ, บรอให้อดทนอัลลอฮ์มีคําคําสอนของใครจะดีกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับตอนได้รับเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ให้ทําไงให้ขอบคุณเวลาได้รับความไม่ดีที่เราไม่พอใจอยากจะได้รับเป็น้องแต่อัลลอฮ์ให้มานะต้องอดทนอันที่สามวัยซาอัลนาบะเมื่อเวลาเราเนี่ยทําพลาดไปทำ ความผิดเนี่ยโดยไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจอะไรก็ตามแต่นะทําความผิดแล้วเป็นยังไงครับอิสตักฟารอให้รีบขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เลยท่านอิบนะกอยยิมเป็นอิหมามอิบนุกอยยิมเอาเรียกว่าหัวหน้าสุนนะนี่แหลหัวหน้าวาฮบีนี่แหละนะท่านสอนดีนะครับบอกว่าใครที่ได้รับเนี่ยมัตจากอัลลอฮ์ให้ขอบคุณอัลลอฮ์ใครที่ได้รับความลําบากให้อดทนไม่ให้โวยวาย อดทนอดทนสะบัดเอาไว้นะครับตัวอย่างคนที่สะบัดอดทนมีไหมเยอะไปหมดเลยนบีอะไรอีกที่ป so ่วยมาตั้งเจแปปีนะอยุใช่ไหมนั่นบุคคลตัวอย่างนบีก็เหมือนกันทุกนบีเนี่ยถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ให้ลำบากอดทนหมดเลยแล้วข้อที่สามอิซาอาสนาบะเมื่อเวลาเขาทําผิดทําบาปทํำไงครับอิสตักฟารอขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ทำโดยลิละเหมือนกับอัลกุรอานนะครับ เอาอธิบายเอากูรอ่านมาอธิบายเพื่อความเข้าใจง่ายๆนะ <c oughs> ขอบคุณน้อลอยพี่น้องเราปีนี้ปีที่ยี่สิบสามแล้วนะใช่ป่ะพญชาดิษฐ์เวยี่สิบสามปีแล้วเนี่ยได้ยี่สิบสามสุร์อัลฮัมดุลิลลา์ illah, ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยพี่น้องนี่ไงทำงานให้กับตัวเองนะครับ มันนี่มาถึงสุรบที่ยี่สิบสามสุรบะห่มุมินูนอายะที่ยี่สิบพี่น้องอายะที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> อัลลอฮ์อัลลอฮ์ลลอพูดเรื่องอะไรนะเรื่องอัลลอฮ์เนี่ยสร้างมนุษย์มาสร้างโลกมาไม่ได้ปล่อยนะรับผิดชอบดูแลรับผิดชอบเรื่องแรกอะไรรู้ไหม <c oughs> เรื่องน้ําให้ฝนตกลงมาจากฟากฟ้า ฟ้าสกันนาหูฟิลอารดีอลลอได้ให้น้ำนี่นขังอยู่ตามแผ่นดินอุลมามอธิบายต่ออีกเช่นลำน้ำที่บึงที่ห้วยที่ทะเลในบาดาลเนี่ยอลัลลอเก็บไว้แล้วก็น้ำบางแห่งเนี่ยอลัลลอจัดไว้เป็นน้ำแข็งอะที่ขั้วโลกเหนือเ ห, หมเป็นน้ำแข็งก็ไน้ไม่ให้มันเน่าไม่ให้มันเสียหไหมขังเอาไว้ นี่เป็นงานของอัลลอฮ์ทั้งหมดอัลลอฮ์จัดไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญไม่มีอะไรบังเอิญบนโลกดุนยาบบ น, นี้อัลลอฮ์รับผิดชอบทั้งหมดครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้น้ามานะครับแล้วก็บางทีอัลลอฮ์ก็ให้น้นะําน่ะสามารถที่จะให้น้ําเนี่ยมันเหือดมันแห้งก็ได้นะครับก็มีหน้าลงหน้าแรงตามมาใช่ไหมให้เราต้องแก้ไขปรับปรุงนี่เป็นบาลาด้วยนะเพื่อให้เราได้สอบบัสแล้วก็อดทนหาวิธีแก้ต่อไป จะต่อมาครับอายาที่19บฟะอันชะนาละกุมบิฮิจันนาตินมินนักลเพื่อจะดูแลมนุษย์นี่แหละอัลลอฮ์ให้สวนมากมายสวนอะไรบ้างต้อนอินทรพลำต้นอางุนอังงนอนลลอฮ์นี่อัลลอฮ์เล่าในคั ร, ร์ุรานเพื่อให้คนที่อ่านการุรานเนี่ยได้เข้าใจว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นห่วงมนุษย์แค่ไหนนะครับไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นใดทำนะครับพี่น้องอัลลอฮ์จัดแต่เพียงผู้เดียว เอาวนี้มาดูอายะที่ยี่สิบนะครับพี่น้องวาชาจารรตันตักรูจูมินตูริไซนาตัมบุตุบิดดูนีวาสิบกิลลิลอาคิลีนอัลลอฮุอัร ว่าชะจารตันทัครุจมินตูริไซนُตัมบุตุบิดดุฮ์นีวศิบกิลลิ آ อِ ل ِ ي ن َ <ين> อายะนี้ตอ้องการจะอธิบายต่อจากอายะที่19เกนี่ยอธิบายอย่างนี้นีย ม, มัดอธิบายก่อนนะเนีย ม, มัดที่อัลลอ์ให้กับมนุษยนะ์นั่นน่ะเพราะอัลลอ์เป็นห่วงมนุษย์ ให้น้ําลงมาแล้วก็ขังน้ำเอาไว้ให้มีต้นอินทผลัมต้นองุ่นแล้วก็เรื่องนี้อัลลอฮ์ให้มีต้นไม้วาชาจารอตันชาจาโรแปลว่าต้นไม้หรือว่าทรีในภาษาอังกฤษนะชาจาโรแปลว่าต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยอัลมอฮ์สุริยายนะทับซินอธิบายว่าเป็นต้นมะกอกอ่าเป็นต้นมะกอนะ อัอลลอฮ์เล่าดังพคัมภีร์คุณอานต้นมะกอกเนี่ยมันงอกขึ้นที่ไหนตักรู้ยู่แปลว่ามันงอกแล้วมันขึ้นที่ไหนครับมินตูริไซนาตูแปลว่าภูเขาไซนาชื่อภูเขาตูริไซนาอัลฮัมดุลิลลาเนี่อัลลอฮ์เล่าให้มนุษย์ได้รู้เลยว่าต้นมะกรอกนั่น ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ในประเทศเหล่านี้แหละประเทศนอาตับทั้งหมดเนี่ยนะส่วนใหญ่อยู่ในปาเลสตินเยอะมากที่ภูเขาซีนายนี่ยเยอะมากที่ภูเขาตูตอีกไปน้องนั่นแหละกุณอ่านตรงไหนน่ะวั ด, ดีนีวัดไจ ต, ตูนีว่าตูดีซีนีนี่ไงภูเขาตูตภูเขาซีนายเนี่ยมาอยู่ที่นั่นมากที่สุดเลยที่อื่นก็มีแต่ที่อัลลอฮ์พูดหรือกล่าวนะกะบีกุณอ่านต้องการจะบอกว่าตรงนั้นน่ะมีต้น อ่างงูอาจจะมีต้นอะไรนะต้นมะกอกเยอะที่สุดเห็นยังครับเนี่ยถามว่าให้ต้นมะกอกมามาเลี้ยงดูส่วนไหนของร่างกายบอดี้เรื่องเนื้อเรื่องกระดูกเรื่องหนังใช่หรือไม่ใช่ให้กินน้ํามาดูแลเนี่ยร่างกายบอดี้เราสุขภาพเรา<ม>ข้างนองไปต้นนะหนึ่งให้อินทอพารลามให้อ่างงูแล้วก็เล่าอยู่ว่าต้นอ่างงู น, นั้น มันงอกส่วนใหญ่ขึ้นที่ภูเขาซีนาเยอะที่สุดหฮัมดุลิลละต่อมาครับต้นมะกอกนี่ให้อะไรบ้างตามบูตูอัลลอฮ์มันผลิตตามบูตูแปลว่ามันผลิตผลิตอะไรครับบิดดูนี่แปลว่าน้มันดูนี่แปลว่าน้มันอัลลอฮ์ให้นามันผ่านต้นมะกอกนี้ อัลลอฮ์น้ำมันเอามาทำอะไรพี่น้องอัลลอฮุอะกบัดก่อนนึกเองก็ได้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ต้องอธิบายเราจะอธิบายอีกให้มันน่าให้น้ำมันมากอกมาเอามากินอัลลอฮุอะกบัดแล้วเอามาทำไหมครับประโยชน์น้ํามันมะกอกนี่ไปเยอะมากประโยชน์ของน้ํามันมะกอกนี่ไปเยอะมากผู้อาตมเซนภาษาอุาร ด, ดูเนี่ยนะก็บอกว่าไม่ยู่ีอะไรการนะครับ น้ำมันมะกอกนี้มีอยู่สีรายการหนึ่งบัณฑ์กามาลิชเอามานวดตัวบาดฑ์กามาลิชเอามานวดตัวพี่น้องพวกเราไ ม, ไม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เอาน้ำมันมะกอกมานวดตัวเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีใครทำกันจะใช่หรือไม่ใช่แต่นอินเดียนิตเตอม์มีหมดเลยน้ำมันมะกอกมะกอกมะกอกมะกอกเนี่ยนวดตัวดีที่สุดพี่น้อง นี่ผมนี่ก็เริ่มแล้วเริ่มทําแล้วเพรอ่านอัยะเนี่เริ่มทําแล้วเริ่มทํามาสองอาทิตย์แล้วเอามานวดตัวมันแพงหน่อยแต่ว่าแข็งแรงอาทำดูแลเรื่องที่สองจีรอกแมจาลานะใช้น้ํามันมากอกเนี่ยจุดตะเกียงได้ด้วยนี่เป็นอ่างเวลาไฟฟา้ามันดับเนี่ยในอินเดียเนี่ยไฟฟา้าดับบ่อยมากเป็นธรรมชาติเลยวันห้ารอบ ไเมืองไทยนีย่ไฟฟ้าดับไม่ค่อยมีแต่เป็นนองเตียมาไว้มันมะกอกเนี่ยจุดตะเกียงแทนไฟฟ้าได้ด้วยไปน้องนะเรื่องที่สามคานีนิแม่น้ำมันไซตูนี่กินเป็นอาหารได้ด้วยอลัลลอฮฺผอัวัดผมไปเยี่ยมใครอัครอมอยู่บ้านปลานเนี่ยตอนรับผมเอาน้ำมันมะกอกมาใส่เทใส่แล้วเอาขนมปังมาจิ้มอร่อยจริงจริงเล้า ผ ส, สมนุ่นผสมนี่ห้ามดูลิลลาไปน้องเนี่ยเสองคนไทยนะไม่ค่อยได้ดนานมาเด้ดทานน้ำมะกอกน้ํามันมะกอกเท่าไหร่ลองฝึกไปทานดูนะข้อที่สี่นะครับสารนันบีใช้น้ํามันไตูนเป็นแกงจิ้มขนมปังได้ด้วยห้ามดุลิลลาเห็นไหมเสีรายการนะฉะนั้นน้ํามันมะกอกที่ ok, ok, อัลลอฮ์กล่าวในคัฟีอุลแานอัลลอฮ์อุลามาหลายคนไปวิจัยวิจัยวิจัยคเขาคุยใจยตอบอีก น้ำมันมะกอกเป็นอย่างนี้อายุของมันเนี่ยนะอายุมยาวนะสี่สิบปีอัลอลอฮฺอายุของมันสี่สิบปีอัลอลอฮฺไม่ตายฮามดุลิลาะไงไหมเอาส่วน อ, อ, อีกข้อหนึ่งต้นมะกอกนี้ส่วนใหญ่เกิดในปาเลสไตน์ใหญ่ที่สุดนะครับประเทศชามันเอาพวกไอผู้ซ้ำเนี่ยรวมหมดเลยนะฮามดูลิลา ต้นมะกอกนี่นะมเมล็ดมันโตนะเท่ากับต้นเท่ากับเม็ดพุทาเลยใหญ่แล้วก็มีสีเขียวด้วยพี่น้องแล้วก็มะกอกนี้จากตำราแพทย์นะแนะนำให้แนะนำว่าให้เอามีประโยชน์มากสำหรับร่างกายนี่แพทย์แนะนำนะทั้งแพทย์มุสลิมมาใชยมุสลิมแนะนำเหมือนกันหมดเลยให้เอาน้ำมันมะกอกเนี่ยมานวดตัวน้ำมันมะกรอกมากินน้ำนันมะก่า เามาใช้ประโยชน์ได้เยอะมากและอีกข้อหนึ่งน้ำมันมะกอกนี้เก็บใส่ขวดไว้นานเป็นสิบสิบปีก็ไม่เสียอ้อพี่น้องเอาน้ำมันมะกอกใส่ขวดเอาไว้นานๆสิบปีไม่เสียครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็น้ำมันมะกอกพี่น้องในคำพีอินจีลและก็พีเตาร์อก็พูดเรื่องน้ำมันมะกอกเอาไว้เห็นไหม การคนที่มาก่อนหน้าพวกเราต่อสมัยนบีมูซาอีซาเขาใช้น้ํามันมะกอกกันมาทั้งหมดนะแต่พวกเราก็ใช้น้ํามันมะพร้าวอัลฮมดุก็ไปเป็นอะไรเป็นนองแต่น้ํามันมะกอกกับน้ำมันมะพร้าวอันไหนดีกว่ากันตามอัลกุรอานน้ามันมะกอกดีกว่าอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮฺเห็นยังครับถามว่าอัลลอฮฺให้น้ำมันมะกอกมามาดูแลสวนไหนร่างกายดูแลร่างกายไปน้องเนี่ย ความสมบูรณ์ของอิสลามนะครับพี่นอ้องเอาต่อมาครับตมัมบูตูบิ ด, ดูนีมันผลิตน้ํามันอัลลอฮ์น้ํามันมะกอกอัลลอฮ์ให้ผลิตน้ํามันอีกพี่นอ้องนี่ชายชาวชายปัญญาอัลลอฮ์หักบัดและคนที่ดูแลเรื่องน้ํามันมะกอกนะเป็นมุสลิมหมดเลยนะเป็นมุสลิมทั้งหมดเนี่ยนะครับเอาต่อมาวาสิบบรินซิบรินนี่แปลว่าอะไรอะเป็น เป็นน้ำจิ้มอ่าเป็นน้ำจิ้มน้ำมันมะกอกสามารถเป็นน้ำจิ้มเอาขนมปังมาจิ้มอ<ม>อร่อยจริงๆผมท้านแล้วอร่อยมากเพอน้องนะอร่อยจริงนะอร่อยมากแล้วต่อมาครับลิลอาคีลินสำหรับผู้บริโภคสําหรับผู้ที่กินมันอรรถอธิบายหมดเลยกลัวเราจะนําเอามากอกไปใช้ในทางที่ผิดใช่ไหมนี่มาต้องใช้ปัญญาเลยอ่านกูอ่านให้เข้าใจ เดินตามอายาอัลกุรอานอัลฮัมดุลิลเลาะเป็นน้องมีผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮฺสุภาห์นูวะตาเลาอ่านเที่ยวนะว่าชาจรันตรูมิตรไซนตัมบตุบิดดนีวบิลลิลอาคิลนและด้วยอัลลสงน้าลงมาเะมากนะ แล้วก็จากน้ํานี่แหละอัลลอฮฺให้ต้นไม้เนี่ยมาถึงต้นมะกอกนี่นงอกขึ้นมาส่วนใหญ่ต้นมะกอกงอกอยู่ในประเทศชามเป็นส่วนใหญ่แถวๆภูเขาซีนายอ<ม>ัลลอฮฺเล่าอีกตุมตัมบุตูบิดบดูนี่น้ํามันมะกอกนั้นต้นมะกอกสามารถผลิตน้ํามันด้วยเออละฮามดูลิลาเอาน้ํามันมาทําอะไร มีประโยชน์มากมายสําหรับหนึ่งในภาษาอุดุดอธิบายงนะหนึ่งเอามานวดตัวสองมาจุดตะเกียงสา ม, มากินเป็นอาหารสามเป็นแกงจิ้มขนมปังได้ด้วยเราหัมอยู่แล้วแล้วก็อายุประมาณกี่ปีสี่สิบปีนะพี่น้องแล้วก็กินหอมไหมหอมด้วยแล้วก็อร่อยด้วยภาษาคุณอานภาษามีภ า, าอุดูนะ zaikoa แปว่าอร่อยคุชบูแปลว่าหอมกินก็หอมด้วยอลัลลอฮ์น้ำมันมาก่อ อาม่ามะกอกวนใหญ่แพงนะขวดขวดเท่าไรหลายร้อยนะ <laughs> อ่านคำโดยลินลาเป็นน้องเอาละนั่นคือคําอธิบายของอุลมามะต้าวซิดอธิบายไว้ ด, ดีมากครับเป็น้องรสอร่อยและมีกลิ่นหอมนะต่อมาครับอายาที่เท่าไรอายาที่ยี่สิบเอ็ดเปน้องมานะ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ ن ُ س ْ ق ِ ي ك ُ م ْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ أ َ ك ْ ب َ ر وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَ ة ً ن ُ س ْ ق ِ ي ك ُ م مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ أَكْبَر ยิ่งใหญ่จริงๆว่าอินนาละกุมอัลลอฮ์อินน่าแปลว่าแท้จริงละกุมสําหรับสู่เจ้าว่าอินนาละกุมฟิลอันอามแท้จริงฟิลอันอามแปลว่าในในสัตว์ในปัสสุสัตอ่าพอพูดเรื่องตนมากอบจบแล้วพูดเรื่องสัตว์อีกสัตเนี่เอามาดูแลมนุษย์ด้านไหนด้านร่างกายเห็นไหม อัลลอฮ์ส่มาทั้งหมดไม่ใช่เกินเองไม่ใช่มาด้วยความบังเอิญอัลลอฮ์จัดจัดจัดให้เพื่อให้มนุษย์อยู่บนโลกดุนยาใบนี้แบบสบายสบายนะครับพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์นะวะละวะอินนัละกุมฟิลอันามีหลายรอบหลายรอบแปลว่าบทเรียนหลายรอบแปลว่าบทเรียนอ๋อเป็นข้อเตือนใจเป็นข้อคิดเป็นบทเรียนได้ทั้งหมดพี่น้องตัวหลองว่า สัตต์ปสัสสตว์ที่อัลลอ์ให้มาเนี่ยนะสำหรับท่านทั้งหลายนั้นมีบทเรียนเยอะไปหมดเลยอัลลอฮ์เล่าอี ก, กวัวจะคิดอะไรไม่ออกสัตว์อัลลอ์ให้เป็นบทเรียนอะไรบ้างนุสตีกุมเราได้ใหู้่เจ้าดื่มนุสตีเราให้ดื่มกุม้มท่านทั้งหลายเราได้ใหู้่เจ้าเนี่ยดื่มดื่มอะไรครับ มิมมาฟีบูตูนีฮะสิ่งที่อยู่ฟีแปว่าในาบุตูนแปลว่าในทองของสัตว์เราได้ดื่มที่ออกมาจากทองของสัตว์เอาดื่มอะไรนมใช่ไหมเอาละว่าก็ t. บางคนก็นดื่มชีก็มีรักษาได้รักษาโรคก็มีพี่น้องเอาไม่เป็นไรแต่ว่าที่เอาล่อพูดมาถึงนมจากนั้น ในตัวสัตว์นั้นนะครับอัลลอฮ์ได้สร้างสาัตว์มามีบทเรียนมีข้อคิดมีข้อเตือนใจให้เราคิดนะพี่น้องนุสเตโกมมิมมาฟโบตูน um ี่ฮะเราได้ให้สุเจ้าดืม่มจากท้องของมันสังเกตนะท้องของมันมีของสุกโปกเต็มไปหมดนะ่ะแล้วเวลาออกมาออกนมสะอาดที่สุดดีที่สุดอร่อยที่สุดแต่ข้อคิดอะไร อุลมามะอธิบายไปเยอะมากถ้ามีเวลาอธิบายยาบเชั่วโมงก็ไม่จบเอาอ่าพี่น้องเห็นอย่างกับมีของสปกปรกในหลงในเลือดมีเต็มหมดเลยแต่นมออกมาพี่น้องต้องการจะบอกว่ามนุษย์อยู่บนโลกดวงยาไปนี่อยู่กับคนชั่วมีคนเลวมีคนมีอาศาสนามีของผราามเต็มไปหมดแต่เราเนี่ยอยู่ได้ยังไงเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์อัลลออักุบาทนี่ไงแต่ขอคิดตรงนี้ อัลลอฮฺอากรบะถิญญ์ครับจะนั่นพวกเราว uh, ันนี้เราไม่เข้าบ้านนะครับไม่ทำดีน่าไม่กินเหล้าไม่ทําของขรามทั้งๆที่อยู่กับรอบคนคนคนคนเลวๆทั้งนั้นแต่เราประคองตัวเราเนี่ยเหมือนนมอัลลอฮฺอากรบะตะวันเกียม์มาเนี่ยอัลลอฮฺดัสะอาดเดินบนทุ่งมาชัดนี่สงางามบางคนคอยาวอะไรเพราะอาจารชอบชอบอาจารย์เห็นไม กระทั่งที่อยู่ในคนไม่จะนมาแต่เยอะแยะไปหมดแต่เราอาจารย์ทุกวันทุวันฝืนอารมณ์กันไหนเอาลอยเลยให้เราคอบคิดว่ า, านมมันออกมาจากมีทางเลือดมีทางของเหม็งของเน่าเต็มไปหมดแล้วออกมาได้ยังไงถึงสะอาดเอาลอยแล้วก็กินอร่อยด้วยอัดหัมดยเวลาให้พลังร่างกายแข็งแรงด้วยไปน้องเอาต่อมาครับ ว่ละคุมฟีฮา manaafu kasir ล l l a ah, in, in ana, h พูดอ right? ah ีกว่ละกุ้มสัตว์นี้นะนะสำหรับสูเจ้าฟีฮาในตัวของสัตว์นั้นมาจถึงในตัวของสัตว์เลยนะมุเดกี้พูดดมนมใช่ไหมอันในตัวของสัตว์มีอะไรครับ m a n ฟ a f u แปลว่าประโยชน์ kasir มากมายที่ทําให้อ่านตับฟิตร ก็ไม่รู้ว่าอีเขาอธิบายยังไงเนี่ยมาดูตรัตน์ศิลปน้องครับมีทั้งหมดเจ็ดข้อดดียกันประโยชน์จากสัตว์ต่มีทั้งหมดเจ็ดข้อข้อที่หนึ่งหนังของมันเอาหนังมาเป็นประโยชน์ได้ไั้ยได้เข่าโรงฟอกหนังก่อนเมืองไทยเนี่ยคนจีนคุมหมดเลยนะโรงฟอกหนังเนี่ยคนจีนคุมหมดแล้วก็โรงฟอกหนังที่หาเงินหากำไรออมรีสกี้ เต็มหมดเลยนะเสื้อผ้ากระปุมกระเป๋าที่เราถืออยู่มาจากหนังสัตว์ทั้งนั้นแหละสังเกตนะเอาถุงรองเท้านี่ยพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็สร้างหนังเทียมมาอีกแล้วอา้าวต่อมาครับขาของมันเอาหลอดพี่น้องมีสัตว์นะรวมไปถึงนั่นหรือเปล่าที่จับกับคนบ่อยๆเนี่ยขาอะไรนะเขาช้างเงืองวงช้างบางอะไรช้างพี่น้องนั่นแหละหมดเลยประโยชน์ของจกสัตว์นะที่หนึ่งน้ำมันหนังของมันสอง เขาของมันสขนของมันขนสัตว์มีไหมมีครับเอามาทำโอ้ยยเยอะแยะไปหมดเลยพี่น้องต่อมาครับข้อที่สกระดูกของมันเอามาทำอะไรได้ไหมได้นะครับอันที่ห้าไข่ของมันไข่มันมั น, มนเอารอเอามาทําสบงสบู่ให้ไหมข้อที่หกเนื้อของมันชั้นหนึ่งเลยพี่น้อง เอามากินได้บริโภคได้อันที่เจ็ดใช้เป็นยานปหนะได้ด้วยอัลฮี่แปดลูแลใครสามารถทำให้สัตว์มีประโยชน์ได้ถึงเจ็ดรายการกั Allah น้อะลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาล้วนั้นเจ็ดรายการเอามาดูแลร่างกายมนุษย์ดูแลบอดี้มนุษย์ดูแลมนุษย์จะขี่สัตว์ไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายแล้วก็สัตว์ประเภทหนึ่งเอาไปใช้ขี่ในทุ่งมาชัดได้ด้วย นั่นพวกเราไม่ได้ขีร่รถบรรดานาบีได้ขี่พวกเราก็แค่เดินคนกาเฟตทิ้เอาอิสลามก็เดินแบบนั้นนะใช้ศีรษะเดินแนทนเท้าในทุ่งมาร์ชาบีนองเอาเนี่เล่าอาจารย์บีนองฟังไม่ให้ลืมของเก่านะครับปีนองตังหลายอัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่าในสัตว์ตัวหนึ่งนั่นมีประโยชน์เยอะนอกจากให้ประโยชน์เอามากินแล้วยังได้ประโยชน์ทุกส่วนของสัตว์และคนได้อะไรบ้าง พอตายแล้วต้องฝังอย่างเดียวต้องให้เกียร์กับคนหนึ่งให้อาบน้ำให้ทำ4ีระการหนึ่งอาบน้ำสองหอ่อสามนำมาสี่ฝังแต่สัตว์นี่ไม่ต้องเลยเห็นไหมเอามาทำประโยชน์ได้สุขสวนต้องขอบคุณใครขอบคุณอัลลอฮอย่าไปกราบสัตว์กราบสัตว์กาบั ว, บวเหมือนใครพี่น้องเหมือนคนฮินดูในประเทศอินเดียเขากาบัวกันพี่น้อง แตอิสลามจะสอนว่ายากราสัตว์เพราะสัตว์เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมามาบริการมนุษย์ห้ามดุอิลล่าพี่น้องทั้งหลาย bar, อัลลอฮูอะบุบารพี่นะ้องเมื่อจะกินเนี่ยผมพูดนิดนึงนะลืมพูดไปนะต้นมะกอกเนี่ยต้นมะกอกเนี่ยมาจากไหนมาจากสวรรค์ต้นมะกอกที่มาจากสวรรค์ น, นาาสนะสิ่งที่มา มาจากสวนสวรรค์ที่เอาล่อให้เห็นบนโลกดุนยาใบนี้มีอยู่เจ็ดเจดรายการนะครับสังเกตมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งอัจะุะอัจุะนี่ผมเพิ่งได้เมื่อวานซืนได้มาหน่อยหนึ่งกลับมาจากอุ้มร้อกันอัจวะมาจากสวรรค์ครับเป็นอินทรพันลำที่ท่านนาบีชอบที่สุดดูทีนบีชอบของ รอชั้นหนึ่งเลยพี่น้องแล้วขายดีที่สุดวันนี้โลกอันดับอาจุห์อินตะพาลามมาจากสวนสวรรค์เรื่องที่สองนะครับซ็อกโลหินหินที่มาจากสวนสวรรค์มาก่ออิบรอฮีมที่นบีอิบรอฮีมยืนก่อสร้างอาคารกาบาและมีรอยเท้าวันนั่นมาจากสวนสวรรค์เรื่องที่สมนะครับอัชจารอตต้นมากออมาจากสวนสวรรค์ เรื่องที่สี่พี่น้องเราดอพี่น้องไปทำฮัตทำอุมระองต้องไปที่เราดอของนบีใช่ไหมบ้านนาบีกับมิมบัดของนบีระหว่างนั้นเป็นเราดอมาจากสวนสวรรค์อ่านข้ามดูเลยเลยพี่น้องคนแย่งกันนะดูเลยนะ <c oughs> แย่งไปยืนละมาแย่งไปขอจูงอากันพี่น้องต่อมาข้อที่ห้าพี่น้องคันน่าฮันน่าของผู้หญิงนะพี่น้อง ที่อามาทานุนูทานีทาลงทานเล็ของหอมเนี่ยมาจากสวนสวรรค์ข้อที่หกพี่น้องแพะอัลลอฮ์เนื้อแพะนี่อร่อยจริงๆมาจากสวนสวรรค์นี่ตามจำฮัจิตทั้งหมดนะไม่จะคิดเองนะหัดิตทั้งหมดนะข้อที่เจ็ดพี่น้องหินดำมาจากอสวดมาจากสวนสวรรค์เจ็ดรายการอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้อง ฉะนั้นเราได้มีโอกาสได้ใช่เจ็ดราการใช่ไหมใชายหมดแล้วใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวอัลลอฮ์ถา ม, มาอา่ะอ้าวฉันถามเธอหน่อยอยู่บนดุลยานี้สัมผัสของที่มาจากสวนสวนรรค์เจ็ดรายการแล้วคุณขอบคุณอลัลลอฮ์ยังไงที่น้องต้องนึกเหรอโอ้เฮ้ยอัลล อ, ฮ, อ, ฮ, อฮ์ได้อินทร์พาลามอาจีวามาแจกใครบ้างหรือเปล่าต้องนึกใส่ปากภรรยาหรือเปล่าพ่อหน้าบีบอกไงนะ สามีที่เอ า, alam, า, า, าอินเดฟาลามใส่ปากภรรยาอาจจะเป็นอะไรก็ได้มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ยกกับไปทำเลยพี่น้องพขาฟังมานานแล้วเอาอินเดฟาลามเอาถ้าอาปากก็าปากใส่ให้มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์สุฮาห์นบูวะตาลาะพี่น้องทั้งหลายครับที่อิสลามสอนละเอียดหมดเลยครับพี่น้องทั้งหลายเอา ตัวลงอผมกลัวอัลอจะถามนะถามแน่แน่อยู่แล้วอะนี่เป็นเนี่ยอมัตที่อัลอลอฮ์ส่งมาจากสวนสวรรค์ให้เราได้สัมผัสบนโลกดุจยาเพื่อจะบอกให้รู้ว่าสวรรค์มีไหมมีจริงนรกก็มีจริงครับพี่น้องทลายครับเอาต่อมาอายาที่ยี่สิบสองครับพี่น้องนี่เป็นเนี่ยอามัดอีกพี่น้องเรื่องที่หนึ่งเรื่องน้ำเรื่องที่สองต้นมะ ก, ก่อเรื่องที่สามเรื่องสัตว์นี่ก็เป็นเนี่ยามัดที่อัลอลอฮ์ให้มาดูแลมนุษย์นะ ดูแลส่วนที่เป็นบอดี้นะร่างกายเอาที่22อันนี้ก็สร้างพูดถึงเรืออีกพี่น้องเห็นไหมพอพูดถึงเรื่องบนบ น, บ, นบกอัลลอฮให้คิดแวบไปถึงน้ำน้าในมาหาสมุทรอีกแล้วพี่น้องไม่ให้เราเป็นโรคอัลไซเมอร์นึกโอ้นึกนึกสัตว์ออามันนึกถึงเรือวะไลฮาวะเลลฟุลกิตุห์มาลู وع ไลฮ์ ا وعلالفولك ت ح م ั ل, <ون> ل و ن الله أكبر وعليها وعلالفولك تحمالون พอพูดถึงเรื่องสัตว์เสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็ตามด้วยอายะอื่นพูดเรื่องน้าทะเลพูดถึงเรื่องเรือว่าไลฮาและสูเจ้าได้ต ح, ต ح ون, บรรทุกตั้ตัมาลูนแปลว่าถูกบรรทุก ท่านได้เอาสินค้าเนี่ยไปบรรทุกบนไร์แ บ, บนหลังสัตว์ยังไม่พอว่าอัลัลฟุลกี้และบนเรือเรือใหญ่ๆพี่น้องไม่ใช่เรือเล็กๆนะถ้าเรือเล็กๆเรียกว่าซาฟีนะซาฟีนะเรือที่ท่านน้องขี่เนี่ยนะขี่ตามคลองตามหมู่บ้านเนี่ยเขาเรียกว่าซาฟีนะถ้าอัลฟุลกึ้มาถึงเรือ สินค้าโอ้โหลำใหญ่ๆพี่น้องนั่นแหละพี่น้องดูสิเฉพาะเรืออย่างเดียวเนี่ยบางทีนึกใครสร้างกันแน่เรือเนี่ย Allah, อัลลอฮ์อ้าสร้างผ่านใครก่อนนบีอะไรนบีนัวอะลัยฮิสลามต้องคิดปุ๊บโอ้เห็นไหมนบีนัวอัลลอฮ์สอนนบีนัวให้สร้างเรือแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้วันนี้พวกยะฮูดีฝรัง่งเอาไปคุ้มหมดแล้ว ของเราก็มีเหมือนกันแค่ซ่อมฮัมดูลิลละใครมาแย่ๆกับมาเมืองไทยกับซ่อมกั น, เ ร, น, นเรือนน่นเรือนี้มีพี่น้องมุสลิมเราเยอะนะลงเรือไปหาปลากันเยอะคัมดู ล, ลินนะแต่ถึงที่เรากลัวกลัวหาปลาแล้วไม่นำมาเนี่ยไงที่เราเป็นห่วงนะ่ไไนนงนะไม่ได้นำมาพี่น้องหาปลาเพลินแล้วมาได้นำมาขอบคุณธธอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อามะดู ว่าลัยฮาและบนหลังสัตว์อ่าว่าลัยฮาหมายถึงบนสัตว์หลังสัตว์นั น, นะเป็นยานพาหนะได้ใส่ของได้คนขี่ได้ยังไม่พออลัลลอฮอัลลอฮ์สอนต่อไปอีกว่าอาลัดฟุลกีและบนเรืออลัลลอฮ์ให้ไหมบนหลังสัตว์แล้วยังไม่พอว่าอาลาดฟุลกีแล้วก็บนเรือตะตัวมาลูนที่สูเจ้าบรรทุก บรรทุกทั้งสองนะบรรทุกบนหลังสัตว์แล้วก็บรรทุกบนเรืออีกสองรายการไมให้เรานึกวันนี้อัลลอฮ์ Allah ให้มาดูแลร่างกายนะนี่ดูแลบอดี้นะให้สัตว์ให้น้ำให้เรือมาเพู่อจะได้ไปน้องเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกต้องการจะมีสินค้าขนสินค้าใสเรือไปเลยมม สัตว์ไปไม่ไหวเอาเรือไปเลยเนี่ยเอาลอ์จัดให้ทั้งหมดครับต้องขอบคุณอัลลอสุภาอานาบู ว, วะตาแล้วพี่น้องครับอัลลอฮ์สอนให้เราใช้ปัญญานะครับขณะอยู่บนบกมนุษย์สามารถใช้สัตว์เป็นยานพาหนะไว้ขี่หลังเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวก แต่ขณะอยู่ในท้องทะเลก็น่าใช่ได้นะชายเรืออัลฮัมดุลิเลนี่เป็นเนื้อหมัตของอัลลอ์ที่ประทานให้กับมนุษย์ทุกคนนะครับพี่น้องทั้งหลายพอพูดถึงเรื่องเนื้อหมัตเนื่อมัดที่เป็นวัตถุหมดแล้วอัลลอ์เป็นห่วงเรื่องวิญญาณต่อไปอีกว่ละก็ดอรรซาลนานูฮันอิลากอุมิฮี فَقَالَ يَا قَوْمِ ع َ ب ُ د ُ ا ل ل َّ ه م َ ك ُ م ْ مَا لَكُمْ مِنْ إلَهٍ غ َ ي ْ ر ُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحَ إلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا كَوْمِ عَبْدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إ ل َ م م ا ل ه ِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ อัลลอฮเป็นองค์อัลลอฮแปลว่ า, วาถ้าไม่อ่านกูไอ่านไม่อาศัยตัฟซีไม่เข้าใจผมเองก็ไม่เข้าใจพออ่านตัฟซีปับอธิบายดีก็บอกว่าสามสี่อายะข้างบนที่ผ่านมานั่น เป็นเนี่ยอามัดเอามาดูแลร่างกายใช่หรือไม่ใช่เอานามาดูแลร่างกายให้สัตว์มาเป็นอาหารใช้ขนใช้เนื้อใช้หนังใช้กระดูกใช้ไขมันเอามาดูแลร่างกายส่งน้ามันมากองมาดูแลร่างกายอายาน่นี้ดูแลเรื่องวิน ญ, ญาณเพราะคนนั่น มีสิ่งประกอบใหญ่ๆอยู่ในร่างของคนนั้นสองรายการหนึ่งส่วนที่เป็นเนื้อหนังกระดูกต้องเอาอาหารที่มาจากดินนี่ไปเลี้ยงเอาแพะมาจากดินเออแพะที่มาจากสวรรค์นะถูกแนละ้วนะวัวควายมาจากดินทั้งหมดเป็นน้องสะเก็ดนะเอาไปเลี้ยงส่วนไหนเสียงส่วนที่เป็นร่างกายที่มาจากดินเพราะอาดามมาจากดิน มาสุจิก่อนเลือดก่อนเนื้อกระดูกเนื้อหุ้มกระดูกแล้วก็เป่าวิญญาณนี่ไงวิญญาณครั้งสุดท้ายเนี่ยดูแลยังไงให้มันสมบูรณ์โอโลเห็นไหมคนส่วนใหญ่ดูแลเฉพาะร่างกายใช่หรือไม่ใช่ส่วนรัว้วไม่ได้ดูเท่าไหร่ปล่อยรั้วให้เน่าให้เหม็นไปน้องใครเหม็นรู้ไหมมะรัยกันในเหม็นอ่ะพอทําความผิดนี่นะ คู่ที่ได้กลิ่นเหม็นคือมลาิากาที่อยู่เรียบค่อนข้างตัวเราเนี่ยแต่กลิ่นเหม็นน่ะทาบาปทีนเหม็นทีบาปทีเหม็นทีบาปทีเหม็นทีแล้วก็หลายๆบาปรวมกันนะ่ะเหม็นเนีไม่เหม็นพอวิญญาณออกจากร่างวิญญาณของคนชั่วขึ้นข้างบนเหม็นหมดเลยครับพี่น้องมลิกาถามวันนี้เอาวิญญาณใครมาสกปรปกอย่างนี้เห็นไหมพี่น้องจะนั่นการดูแลวิญญาดูแลดูอาญานี่ครับ ววลาก็จะอาศนานูหันและโดยแน่นอนยิ่งเราได้ส่งอัศนาแปลว่าเราได้ส่งอัศตุอัศนาแปลว่าเราได้ส่งส่งใครครับนูหันคนแรกของโลกที่มาทำงานศาสนาคือนบีนูลัยฮิสล า, าคนแรกเลยไป น, นาะนบีอาดัมก็ ส่วนใหญ่ก็เพื่อที่จะพัฒนามนุษย์การเจริญในโลกนี้ครับเป็นอะไรแต่เป็นสายตระกูลเนี่ยนะส่วนนบีนวลเนี่ยอลัลลอ์ส่งมาทำอะไรครับมาสอนศาสนาสอนเรื่องอะไรครับเรื่องวิญญาตห็นไมเพื่น้องเห็นยังครับเนี่ยอัลลอ์เป็นห่วงคนขนาดไหนครับขณนั้นวันนี้อยู่ไม่มีศาสนาขาดทุนหรือกำไรพูดชัดๆเลยขาดทุนอย่างย่อยยับเลยครับพ่น้อง ว่าเก็จะอาศนานูฮันอิละกามีและโดยแน่นอนยิ่งเราได้ส่งนัวอะลายฮิสลามยังหมู่ชนของเขากามีหมายถึงหมู่ชนของเขาพวกของเขาหมู่บ้านของเขาทีนี้นบีมุฮัมมัดกับนบี น, นุฮันต่างกันนบีนองต่างกันนิดหนึ่งนบีนุฮนนี่มาสอนคนเฉพาะ กลุ่ม อ, อิลากามีฮีเห็นยังครับอัลลอฮ์ส่งนบีนวัวมาสอนคนเฉพาะกลุ่มกลุ่มของเขาเองบรรดานาบีทั้งมาทีมาทั้งหมดในโลกนะครับยกเว้นนบีมุฮัมมัดนะอิลากามีฮีอิลากามิฮีอิลากามี ฮ, าามฮีมหากลุ่มชนของเขากลุ่มชนของเขากลุ่มคนของเขาแต่นบีมุฮัมมัดคนเดียวจำ เ, เ, เป็นท่านนาบีคนสุดท้ายเนี่ยไม่ได้พูดวิาลาเกามีฮี อีลานะว่ามาอัลสลนากะอีลานรอฮ์มาตาลิลลาเลมีทั่วโลกเลยเห้ยไหมนี่นะความประเสริฐของนบีมุฮัมมัดที่อัลลอฮฺแต่งตั้งมาเป็นนบีคนสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่สอนเฉพาะคนอาหรับไม่ใช่สอนยินด้วยพวกเราอยู่ในประเทศไทยก่อนนบี ม, มีมีดูแลพื้นที่ในกรในกรทมด้วยพื้นที่ประเทศไทยพื้นที่มาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินดูแลหมดเลยเนี่ย ของใครครับของนบีมุฮัมมัดสุลตับดังนั้นสุนนะนบีต้องกระจายไปทั่วโลกส่วนสุนนะของนบีนัวก็จะพากุมเห็นไหมนะ่ะนี่งาข้อแตกต่างระหว่างนาบีนัวกับบรรดาหนบีทั้งหมดกับนบีมุฮัมมัดแตกต่างกันอัลฮัมดุลิลเ ล, ล, ล, ล, ล, ล, ลาะ์เืออะไรขอบคุณนอะร์นะจะั้องพูเราตรงเหนื่อยนะต้องเหนื่อยตรงเอาสุนนะนบีเอาอิสลามไปสเปรด everywhere in the world ไปเลยไ ป, ไ, ปไปส่งไปส่งไปส่งไปไปนอกไปทํางานศาสนากันทำด้วยลีลานั่นพี่น้องนี่ถ้าถ้าถ้าอาหรับนะรวมตัวกันคิดเรื่องนี้เรื่องเดียวนะชนะเลยอันนี้มาเดินตามแผนเขานะเรียบร้อยเลยอัลลอฮ์ไม่เดินตามแผนอัลลอฮ์ไปเดินตามแผนเยฮูดีพี่นอ้องหลงหลงเลยตบหลงผาไปนอกเห็น ไ, ไหมทะเลาะกันวันแรกวันนี้อัลลอฮ์ คำหลังให้กับคําพีหันหน้าก็ให้กับคําทีที่ยาฮูดียมเขียนมา <laughs> อัสตั้ฟิลโลที่ต้องการอย่างงี้นะไม่มีคํากล่าวใดที่อัสตั้ฉันขออภัยโทษต่อหรอกท่จะรู้แล้วนะเราต้องรู้นะเราเนี่ยผ้าเทออะไรเพราะเดินตามยาฮูดีหันหลังให้กับอัลกุรอานครับเอาต่อมาครับนบีนูอ์มาสอนอะไรครับฟากอล่ะนบีนูอ์มาสอนกลุ่มชนของเขาว่าไงยาคาเม โอ้พวกของฉันเอ๋ยอัลลอฮ์พูดดีนะอัลลอฮ์ชมนบีมันนบีนู่นนะพูดจะเพราะมากอย่าเข้านี่โอพากพวกของฉันเอ๋ยอับบุดุลโลจงเคารพภาคดีอัลลอฮ์จงอิบะดาต่ออัลลอฮ์จงแสดงตัวเป็นเบาที่ดีของอัลลอฮ์อย่าคิดเอง ให้ทำตามอัลลอฮ์ให้หมดเรื่องขัดเรื่องเลยนะเรื่องศาสนาเนี่ยให้ฟังอัลลอฮ์อย่างเดียวแล้วก็ฟังนบีนุ่วถ้าสมัยเราก็ฟังอัลลอฮ์แล้วก็ฟังนบีมุฮัมมัดอย่าไปฟังคนอื่นนะครับโตแซโตัวกีตัวโยนี่อะไรก็รับรับเอาไว้แต่เรื่องดูอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ของนบีอันนี้ไม่ผ่านนบีอันนี้คิดเองพยายามเลือกแล้วก็เคลียรออกบ้างอย่ารับทั้งหมดนะ ทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องเรื่องมาลิดใหม่เมาลิดอัลลอฮ์พี่น้องเราก็เคลียร์เองก็ได้อันนี้ไม่ใช่นบีเอาวางข้างๆอันนี้มาจากของนบีเอาวางวางข้างข้างนะพี่น้องเอาต่อมาครับนบีนัวสอนยังไงนายะก้ามีโอ้พวกของฉันเอ๋ยอะลบูดุลโลจงทักดีต่ออัลลอฮ์จงแสดงตัวเป็นเบาที่ดีของอัลลอฮ์จงเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอ มาลกุมมินอีลลฮินอยรูไม่มีมาลกุมไม่มีสำหรับสู่เจ้าอีลลแปลว่าพระเจ้ า, อารอบบุญกับอิล่านแปลเหมือนกั น, นรอบบุญแปลว่าพระผู้อภิบาลดูแลรับผิดชอบใช่ไหมให้เป็นให้ตายให้พิษกีให้น้ำฝนให้น่นให้นี่ ส่วนอิล่านี่แต่ว่าพระเจ้าเอาไว้กราบและบูชาอสําสหรับท่านทั้งหลายนั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดร้อยรูหูอื่นจากอัลลอฮ์แล้วไม่มีพระเจ้าบนโลกนี้ไม่มียกเว้นอัลลอฮ์อง์เดียวเป็นพระเจ้านอกนั้นพระเจ้าพลองทั้งหมดใช่หรือไม่ใช่พี่น้องมุสลิมน่ะเชื่อน่ะแต่คนฝรั่งโน้นเชื่อไหมไม่เชื่อพี่น้องอ้าก็ปล่อยไปเราบังคับเขาใครไม่ได้เพราะอัลลอฮ์สั่งอย่าด่าเขาด้วย ละกุ่มดีหนูกุ้มวาลียาดีาศาสนาใครก็ใครนับถือาศาสนาของเราเราก็นับถือของเรายึดมั่นอยู่าศาสนาอิสลามอย่างแม่นอย่างมั่นคงต่อมาครับพี่น้องตัลงว่าพระเจ้าอื่นไม่มีในโลกนี้นะที่มีเป็นพระเจ้าปลอมทั้งหมดนะอย่ากาบดวงอาทิตย์อย่ากาบดวงจันทร์อย่ากาบต้นไม้อย่ากาบบัวอย่ากาบสัตว์อย่ากาบทะเลมีหมดเลยนะเนี่ยกากระหมดเลยใช่ไม่ใช่ ในอินเดียหนะ้ากาบวัวด้วยหน้าา บ, บแม่น้ำคงคาด้วยเห็นไหมอัลลอฮฺอัลกะดีนอัลลอฮ์ห้ามนะครัือคุณอานยังมีคนอีกปฏิบัติแบบนี้นะเห็นไหมท้าวนาบีมุฮัมมัดคิดนักนะน่า น, นำเบาชันนะ่านำเบาอนะัลลอฮ์นังชันดูแลอยู่ในประเทศอินเดียนะดูสิไม่รู้ว่ากี่ร้อยล้านเป็นพันล้านใช่ไหมอัลลอฮ์ที่เป็นมุสลิมประมาณสี่ร้อยกว่าล้านประมาณเจ็ดแตร้อยล้านหนะ้ากาบบูชาวัวหมดเลยบูชาแม่น้ําคงคา นบีก็เป็นห่วงไงใช่ไหมอยากจะให้คนเหล่านี้หันมาหาอัลลอฮ์ให้หมดนะทาไงครับวันนี้เสียไปแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบดูแลอุลามาอินเดียเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยมากเลยเราอากรบมนามบุษรษานพูดเนยเออพวกมุสลิมมาอยู่บ้านติดติดกับบ้านฮินดูเนี่ยแต่คนฮินดูไม่ได้รับความรู้จากมุสลิมเลย <c oughs> <c oughs> เห็นไหมพูดดีนะ มุสลิมปลูกบ้านติดกับบ้านฮินดูสองสามหลังแต่คนฮินดูบ้านฮินดูไม่ได้ประโยชน์จากมุสลิมเลยคนอินเดียเข้าใจว่ามุสลิมนะ่ะมีอยู่สี่ข้อหนึ่งใจร้อนสองมีเมียสี่คนสตัดตัดจะได้นะตัดี ต, ดนะ ต, ดตแล้วก็ไม่กินหมู รู้จักกันมาเป็นพันๆปีมาแล้วก็รู้จักแค่นี้แหละสีเรื่องมันจะขยับไปไหนเอ้ยแล้วหน้าที่มุสลิมทําอะไรมหาพุทธสันพูดดีนะเองทําอะไรกันนะ่ะคนฮินดูรู้จักมุสลิมสี่ข้อมามาเป็นเจ็ดแปดรอปีแล้ววันนี้ก็ยังรู้แค่สี่ข้อนี่แหละทําไมข้ออื่นๆหรือเยอะๆทำไมไม่ไม่สอนเขาล่ะน่าคิดนะนี่มานาพุทธสันสอนให้คนมุสลิมในะอินเดียคิด เ้าก็คิดเนะเออ ม, มึงไทยกับมอนกันใช่ไหมมุสลิมถูกรู้จักแค่ 4, 3, 1, สี่ข้อสามข้อหนึ่งเมียสีสองไม่กินหมูสามทำคิรตันแค่นั้นเองนะยังอื่นนีกเยอะยะไม่รู้ครัเพราะเราไม่ได้เคยเผยแพร่อิสลามให้ใครเลยคุณน้องบางทีเมีบางคนมันจะสอนเมียเลยนะให้ไปสอนรายาเลยนะมีไหมมีร่วมลํานอนกับนางอย่างเดียวแต่ความรู้ไม่เคยให้นางเลย ไปนมาวันศุกร์เนี่ยฟังกูทบา้านเนี่ยไม่เคยเล่าให้ภรรยาฟังมีเปล่าแต่ไม่ใช่พวกเรานะที่อื่นที่อื่นแล้วใช่ไหมพูดกระทบเยอะเหลื อ, กก เ, อลเกินนีเอาต่อมาครับอฟาฟาลตตะกูนอัลลอฮฺอักุบะชะนั้นพวกท่านยังไม่สำรวมตนจากความชั่วอีกหรือ อาฟาลาตะตะปูนอัลลอฮ์ดูแลมนุษย์ถึงขนาดนี้เนี่ยพวกท่านยังไม่เลิกทำความชั่วอีกหรือทำไมไม่หาตักว่าต่อเลาะปกป้องตนเองจากการทำบาปอัลลอฮ์เป็นองคขออธิบายให้กว้างนิดหนึ่งนะพี่นนองอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มากี่ขั้นตอนเจ็ดขั้นตอนเป็นองต้องต้องไม่ลืมนะเราเนี่ยถูกสร้างมาเจ็ดขั้นตอนหนึ่งสร้างมาจากดินสองจากน้าอาซจิ สเป็นก้อนเลือดจากก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อห้าสี่แล้วนะห้าเป็นกระดูกหกเอาเนื้อหุ้มกระดูกเจ็ดเป่าวิญญาณขั้นที่เจ็ดเนี่ยเป่าวิญญาณหลายคนไม่ได้ดูแล ว, วิญญาณปล่อยให้วิญญาณเหม็นวิญญาณเศร้า อ, อาหารของวิญญาณทั้งหมดมาจากไหนเปน็น้องมาจากฝากฟ้าหมดเลยเอากุรานมาจากไหน ชันฟานามาดมาจากไห น, นชันฟาซิกรุลลอห์นึกถึงอัลลอฮ์อยู่บนชันฟาฉะนั้นรำลึกถึงอัลลอฮ์เป็นยาอาหารของหัวใจเป็นอาหารของรั้วอ่านคุรานเป็นอาหารของรั้วปฏิบัติตามอัลกุรานทุกอายะเป็นอาหารของรั้วหมดเลยสุนนะนบีเป็นอาหารของวิญญาณทั้งหมดหที่น่นทั้ง Roberts, าหลายครับนมาดอ่านกุรานซิกรุลลอห์เป็นว่างเป็นอาหารของวิญญาณทั้งหมดฉะนั้น ผู้ใดที่ไม่มีอาหารวิญญาณไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักเตาเฮต์ไม่รู้จักอีมานไม่รู้จักทั้งหมดเหล่านี้เป็นอาหารวิญญาณใครไม่มีคนนั้นขาดทุนไปนตลอดเวลา เ, าเอาเอัลลอฮ์สอต่อไปอีกนะครับพี่น้องในร่างกายของมนุษย์มีกี่อย่างนะสองอย่างส่วนที่เป็นร่างกายกับส่วนที่เป็นบอดี้หน้าเอาทีนี้ มีอุลมามะอยู่ข้อหนึ่งอธิบายอายานีดีก็ อ, อธิบายอย่างนี้นะคนที่ไม่เอาความรู้ผ่านวาฮีตั้งแต่สมัยในบิณุมาเลยเรื่มถึงสมัยพวกเราเียแหละถ้าไม่เอาความรู้ผ่านนบีไม่เอาความรู้ของอัลลอฮ์ไม่เอาความรู้ผ่านวาฮีมาใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อดูแลวิญญาณนี่เป็นอย่งไรครับเป็นไงครับมีอยู่เจ็ดข้อเปน็นองข้อที่หนึ่ง คนนั่นเป็นคนอธรรมเป็นคนซ่อเล็มย่อเล็มกับใครครับย่อเล็มกับวิญญาณตัวเองย่อเล็มกับรั้วตัวเองที่อัลลอฮ์เป่าให้มาพี่น้องมันรักก็สร้างอมริกมาเป่าวิญญาณนะอัลลอฮ์อีวิญญาณอันนี้ต้องดูแลมันด้วยดูแลให้ดีฉากนั้นคนที่มาจะดูแล ว, วิญญาณอาหารวิญญาณคือคุรานอาหารดิญญาณคือสุนนะของบรรดา น, นาบับีอาหารวิญญาณคือซิกรุลลอ อาหารวิญญาณคือรู้จักอรรถว่ามีองค์เดียวไม่กราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอรรถเป็นอาหารวิญญาณทั้งหมดถ้าใครไม่มีสิ่งเหล่านี้เขาเป็นคนอาธรรมอาธรรมนะครับอาธรรมกับรู้วของเขาเองข้อที่สองนะครับเป็นคนที่ทรยศต่ออารมณ์ของเขาเองต่อได้ต่อจิตใจของเขาเองข้ออินพี่ น, น้องข้อที่หนึ่งอาธรรมข้อที่สองทรยศต่อวิญญาณของเขาเองที่อรรให้ให ให้มาดูแลมาฝากเอาไว้ชั่วคราวไปน้องแต่ไม่มีใครดูแลเลยเรื่องที่สามไปน้องครับคนที่ไม่ดูแลวิญญาณตัวเองโดยไม่รู้จักอัลลอฮไม่รู้จักรอซูนไม่รู้จักกุนอานเป็นคนที่สร้างความล้มเหลวกับเป้าหมายของชีวิตของเขาเป้าหมายชีวิตในอนาคตล้มเหลวหมดเลยไปน้อง น, น่าคิดนะเรานี่เป้าหมายชีวิตคือโลกก็ได้อาคเราใช่หรือไม่ใช่ คนที่มันจะดูแลวิญญาณเขาทําลายเป้าหมายของชีวิตของเขาแบบสิ้นเชิงไปน้องข้อที่สี่นะครับพี่น้องคนที่เชื่อว่าเนี่ยคนที่ไม่เอาอิสลามมานะครับไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่จะดูแลวิญญาณนี่ไปน้องความเชื่อของเขาอากีดาของเขาไปน้องครับถูกทําลายโดยสิ้นเชิงเลยอากีดาเสียหายหมดเลยไปน้อง คนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ทำความดีเช่นอะไรบ้างไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาสุนนะนบีไม่เอาอิสลามมากํากับชีวิตพี่น้องครับแล้วก็ทำความดีมีอยู่คนหนึ่งในสมัยนบีชื่อยัญญาอานยัญาอานคนนี้เป็นคนไม่เอ า, าศาสนาแล้วก็ติดต่อกับญาติพี่น้องตัวเองดีมากเลยไปหาพ่อเยี่ยมพ่อดูแลลูกสาวพี่สาวญาติคนโอ้ติดต่อญาติพี่น้องอย่างดีพี่น้อง แล้วก็เลี้ยงอาหารคนด้วยถามท่านนบีว่ายารสูลอลลอฮ์ท่านยาอาเนี่ยเป็นคนที่นอมน้อมถ่อมตนกับญาติพี่น้องเลี้ยงอาหารทำบุญคนเก่งมากเขาจะได้สวรรค์ตอบแทนจากอัลลอ์ไหมนบีตอบว่าไม่ได้เห็นงั้นครับเพราะอะไรครับเพราะทางชีวิตของเขาไม่เคยขอดุอาบทนี้อัลลอฮุมักฟิลีขอตีอาตียามัดดิน อัลลอฮุมมารฟิลีคอตีอาตียาอุมัดดีนโอ้อัลลอฮ์โปรดอภัยโทษในความผิดของฉันในวันเตียมะไม่เคยพูดออกมาจะกปากสักคำหเห็นไห้เพื่อนน้องฉะนั้นคนถ้าไม่ดูแลวิญญาณถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์ทำความดีแค่ไหนก็ตามอัลลอฮ์ตอบแทนให้บนโลกดุนยาใบนี้วันอาคริร์ได้หรือไม่ได้ไม่ได้ครับพื่อนน้องทีนี้บนดุนยาอัลลอฮ์ตอบแทนยังไง ผมถูกถามเยอะนะช่วงนี้ทัวมาถามกันเนี่ยไม่เอ า, าศาสนากันแต่ทาบุญเก่งอ่ะไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาซุน่านะเบียดทบุญทําบุญทา บ, บุญอะไรเก่งมากนาบีสอนนะครับคนที่ไม่เอาอิสลามไ ม, า AH, ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอา إ ي م านไม่เอาเตาเทศไม่เอากัมภาร์นี่น้องแอนตี้นี่นะเขาทําความดีอัลลอฮ์ตอบแทนบนดุลยานี่เลยในรูปของอาหาร ในรูปของอาหารพี่น้องเอา้าสังเกตคนกาเฟสในเวลาไปกินอาหารที่ร้านเนี่ยนะกินในพัตคารในบาร์ในคับมันกินกี่ทางอ่ะกินหลายทางอ่ะมุสลิมเรากินทางเดียวกินทางทางปากพอเข้าบาร์ในคับมันกินกี่ทางหนึ่งหนึ่งปากสองตาเห็นไหมตามองผู้หญิงเต้งเนี่ยล้วก็หูกับฟังเพลงแล้วก็มือกับรูปคําตบนู่นตบนี่ กินกี่ทางอ่ะหนึ่งสองสามสี่กินสี่ทางอ่ะเรากินทางเดียวทางปากเนี่ยบางทีก็สองร้อยบาทมีคนโทราศัพท์มาเล่าปูฟังเขาว่าเขาไปกินอาหารกินมาสี่คนมีคนรวยมหาเศรษฐีของมาเลเซียมาเออไหมไปกินปูกินซีฟู้ดหมดไปแสนแปดเท <laughs> ่ากับทำการทำพายีข้างนี้ แสนแปดกินอาหารแค่สามสี่คนห้าคนพี่นอ้องซีฟู้ดในเมืองไทยเนี่ยปูตัวละสองพันไม่รู้ว่าปูอะไรไม่ได้มาจากสวรรค์สักทีตัวละสองพันกินแล้ว จ, าจ่ายเจรายแสนแปดสำหรับคนรวยแพงไหมไม่แพงนี่ไงอัลลอฮฺตอบแทนแล้วไนงะเอ็งเอาไปเลยอาหารบนดุลยานี้ทานละครั้งละแสนสองแสนสามแสเอา้าจ่ายให้เต็มที่พี่นอ้องนี่แหละคือรางวัลของเขาบนโลกดุลย์ยาอาคิดว่าได้ไหมหมดสิทธิ์ครับพี่น้องทลาย ยาดาอานเป็นบุคคลตัวอย่างที่ท่า น, นาบีอธิบายนะครับคุณนอ้องต่อมาข้อที่ห้าหัวใจของผู้ที่ไม่มีอีมานเหมือนก้อนเนื้อเนี่ยหัวใจหัวใจก้อนก้อนหัวใจนี่นะก้อนหัวใจของมนุษย์ที่ไม่มีอีมานไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักรอซูนไม่รู้จักมะละอิกะไม่รู้จักวันอาคิราะไม่รู้จักกอดอกดัด น, นะเปรียบเสมือนก้อนเนื้อธรรมดาธาดาหรือก้อนเนื้อของสัตว์ที่ตายเองแล้วก็นเน่าเหม็น โอ้โหละมาปฏิบัตดีมากเลยฉะนั้นหัวใจไปนอ้องไปก้อนไปก้อนก้นหนึ่งนะก้อนนี้จะหาก็ไม่รู้จักเอาลอ้อมาจากรอซูลไม่มี إيمان ไปนอ้องเปรียบเสมือนใดเปรียบเสมือนก้อนเนื้อของสัตว์ที่ตายไม่มีราคาแม้แต่นิดเดียวอี่า้องระวังนะคอมาข้อที่หกไปนอ้องตาของคนที่ไม่มี إ ي م านเขาเรียกว่าตาบอด ้าของคนที่ไม่มีอิมานไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักสุนานะนบีไม่รู้จักระซุนคนตาบอดข้อที่เจ็ดนะครับพี่น้องกลุ่มชนใดก็ตามที่นั่งกันเป็นพันๆคนหมื่นคนแสนคนรวมกันพี่น้องแล้วไม่รู้จักอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยนะั่นไม่ต่างอะไรกับฝูงอท้ายสี่ฝูงอะไรฝูงสัตว์เขาเอาคัมภีร์อ่านมาอธิบายาพี่น้องผู้อ่านแล้วโอ้ยอะไรกันเนี่ย แคนั้นกลุ่มคนที่รวมกันทิมมะกาสบายไหมโอ้นี่กลุ่มชนมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เขาเดินต่อวา่าอธิบายตุลลอฮ์เป็น้องเป็นอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่และกลุ่มชนอีกกลุ่มนึงเดินอยู่โลกไหนก็ตามแต่เป็นน้องประเทศไหนก็ตามแต่ไม่มีคู่คอีมามเลยแอนตี Anti ้อัลลอฮ์ทั้งหมดไม่เอาอิสลามไม่รู้จักซุน่านะนบีเหมือนกับฝูงสัตว์ที่รวมตัวกันมีข้าไหม เนันี่ไงจะนั้นเป็นมุมินดีกว่าพป่น้องครับปฏิบัติตามอัลกุรอานยึดสุนนะนบีนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงไหนก็ตามมีบารากัดตลอดเวลาอัลฮัมดุลิลลาห์ไปน้องเอาต่อมาครับจะจบแล้วไปน้องคำสอนของนบีมุฮัมมัดเนี่ยนำเอาเตาเีศมาสอนก่อนอย่าลืมนะอธิบายเรื่องนี้นะนบีนกวประมาทกันกเอาเตาเีศมาสอนก่อนนบีมาสอนเรื่องเตาเก่อนไปน้อง แต่นี่มีอุลามะในในในในซาอุดีนี่พูดให้ฟังบอกว่าก่อนที่นบีมุฮัมมัดจะมาเนี่ยเรารู้จักหนึ่งรู้จักรูปปั้นก่อนที่นบีจะมาเรารู้จักอะไรนะรู้จักรูปปั้นก่อนก่อนที่นบีจะมาเรารเราเคารบรูปจเจวต์เคารบรูปปั้นเคารบรูปรูปจเจวตก่อนนบีมุฮัมมัดจะมาเราทำเซนาเป็นเรื่องโอ้โหเรียกอะไร ปกติธรรมดาเรื่องซีน่านอนกับใครก็ได้ห้ามดูเลื่อยๆไปน้องหนาวดูเรื่อยๆมินซาเลกต่อมาครับก่อนที่นบีมุฮัมหมัดจะมาพวกเรารักขโมยเป็นของธรรมดาเอ็นไม่รักษาให้ดีรักก็ไม่มีคดีโอ้โหไปน้องก่อนที่นบีมุฮัมหมัดจะมาไปน้องครับรู้รู้แต่เรื่องว่าจะทํำยังไงไม่ทําตามสัญญาโอ้โหสัญญาทํากันไว้แต่มาต้องทําตาม เรารู้แค่นั้นก่อที่นบีมูฮัมหมัดจะมารู้จักแต่เรื่องใช้วาจาภาษาที่หยาบคายแล้วก็ชอบดา่านินทาใส่ร้ายกันไม่รู้จักเรื่องอื่นนอกจากเรื่องเหล่านี้พี่น้องพอนบีมูฮัมหมัดมาพี่น้ององัลลอฮฺมุฮัมมัาสอนเรื่องเตนะวิธมาสอนเรื่องอัคลากพี่น้องสองเรื่องใหญ่ๆนะเรื่องอัคลากพี่น้องนบีมาสอนทําให้เรารู้ว่าจิน่านั้นคารอมเพิ่งมารู้ตอนหลังนะ จีนาฮรอมริบาฮารอมการพูดโกหกฮารอมการนั่งค้าเวลาให้หมดหมดไปเป็นของบาปหมดเลยพ่งมารู้ทีหลังครับถ้าอธิบายต่อไปอีกนะครับเป็นวองพวกเราเป็นกลุ่มชนที่เลี้ยงอูดพวกเราเป็นชุมกลุ่มชนที่เลี้ยงวัวพวกเราเป็นกลุ่มชนที่เลี้ยงแพะพวกเราเป็นชุมชนที่เลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างที่ของฮารามทั้งหมด ด้วยอิสลามของนบีมูฮัมหมัดมาสามารถเปลี่ยนคนเหล่านี้มาเป็นผู้นําของโลกทันทีใช่หรือไม่ใช่วันนี้พวกเรายึดใครครับยึดสวะบ้านนบีเป็นแบบใช่ไหมเขาเปลี่ยนไปน้องเพราะนาบีมาสอนฉะนั้นนบีมูฮัมหมัดเอาความรู้ที่ผันอัลลอฮ์มาสอนเปลี่ยนแปลงคนได้หมดเลยไปน้องจากบูชานั่นบูชานั่นบูชานั้นเลิกหมดไปน้องเคยเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปน้องเดี๋ยวนี้กลายเป็นกลุ่มชนที่ ถูกกล่าวชื่อในกพีกุรานอห้ามอยู่เลยเราวันนี้ยึดซอบ้านนบีเป็นแบบยึดอลมาในซาอุดีส่วนใหญ่เขามีความรู้เพียงไรเปลี่ยนแปลงเราเองก็ดีไปด้วยวันนี้เพราะเราเอากุรานที่อัลลอ์ประทานมาเอามาใช้ในชีวิตประจัวันกลายเป็นหมู่ชนที่อัลลอ์ให้เกียรติยกย่องมากวันนี้นะครับพี่น้อนงะ เ, เหมือนกับยาฮูดียาฮูดีเลาตมกันข้ามเลยนะ อย่าฮูดีเปลี่ยนมุสลิมเปลี่ยนจิบลัดทำไมมันใช่บาตรมักดิษ ด, ดีอยู่แล้วมชาชักจ้าบ้าทำไมคำตอบนี่ยาวจะี่นองเอา้าสรุปสั้นๆก็คือมนุษย์ถ้าไม่ยึ ด, ถ, ด, ดถ้าดูแลเฉพาะร่างกายอย่างเดียวเรียบเสมือนอนิเมนใช่ไหมเปียกสุนัขนะถ้าไม่ดูแล ว, วิ ญ, ญญาณด้วยสัตว์สัตชัดเลยพี่นองแต่หากดูแล ว, วิ ญ, ญญาณภาพกายเป็นบุคคลที่สง่า ง, งามบนโลกดุนลา อ้าพี่น้องคนเราเราดูแลทีเรื่องนะสองเรื่องนะดูแลร่างกายเนี่ยมาตรงเนื้อเลยเอารถจัดหมดแล้วน้ำน้ำมันมากอกเนื้อนุ้นเนื้อนี่นนจัดไว้หมดจะดูแลร่างกายมีมีมีอยู่แล้วจะดูแลวิญญาณอาศัยอะไรคําสอนของนบีมุฮัมมัดดูแลสง่า ง, งามกันไปตั้งไม่ต้องไปหาเองดันั้นอย่าทำผิดน ะ, นะครับเอาสูนรมาของท่านนาบีมาใช้ในชีวิตประจาวัน س ب ح ا ا ل ل ه u ai. m a ah w i y a m l i k a s a l a l l a h u i l l a a n t a a s t a k u l u k a w a t u i l a k u s s a l a m a l i k u m w a r a h m a t u l l a h w a b a r a k a t u h